พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะหมดว่าด้วยก้าวไปในมรรคาแห่งอิสรภาพและความสุขภิกษุทั้งหลายอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อภิกษุสังวรจากคุณสีอยู่จิตย่อมไม่ส่านแสบไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยจักสุข เมื่อมีจิตไม่สร่านแสปราโมทก็เกิดเมื่อมีปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อมีใจปีติกายก็สงบระงับผู้มีกายสงบย่อมเป็นสุขผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิธรรมะทั้งหลายก็ปรากฏ เพราะธรรมะทั้งหลายปรากฏผู้นั้นจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทในเรื่องโศตะขานะจิวหากายละมโนโก็โดยในยะเดียวกันอานน์การพัฒนาอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมในแบบแผนของอริยชน คืออริยวินัยเป็นอย่างไรเพราะเห็นรูปด้วยตาเพราะได้ยินเสียงด้วยหูเพราะได้กลิ่นด้วยจมูกเพราะรู้รสด้วยลิ้นเพราะต้องผลทัพบะด้วยกายเพราะรู้ธรรมารมด้วยใจยอมเกิดความชอบใจบ้างเกิดความไม่ชอบใจบ้างเกิดทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจบ้างแก่ภิกษุเธอเข้าใจชัดดังนี้ว่า ความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแกเรานี้เป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นธรรมะหยาบเป็นของอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นภาวะต่อไปนี้จึงจะสงบประณีตนั่นคืออุเบกขาความมีใจเป็นกลางรันแล้วความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแก่เธอนั้นก็ดับไปอุเบกขาก็ตั้งมัน่นสำหรับบุคคลผู้ใดก็ตามความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอุเบกาย่อมตั้งมัน่นเร็วรวพลันทันทีโดยไม่ยากสเสมือนคนหลับตาแล้วลืมตา หรือลืมตาแล้วหลับตาละจนถึงนี้เรียกว่าการพัฒนาอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมในแบบแผนของอริยชนภิกษุทั้งหลายก่อนสัมโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ตรัสรู้เราได้เกิดความดำรทิขึ้นดังนี้ว่า อะไรเป็นคุณของจักรสุขอะไรเป็นโทษคือข้อเสียของจักรสุขอะไรเป็นทางออกคือพ้นอาศัยเป็นอิสระแห่งจักรสุขอะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นทางออกแห่งโสตคานะจิวหากายมโนเราได้เกิดความคิดขึ้นดังนี้สุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเราอาศัยจักรสุข นี่คือคุณของจักรสุขข้อที่จักรสุขไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี่คือโทษของจักรสุขการกำจัดชันทราคะการละชันทราคะในเพราะจักรสุขเสียได้นี่คือทางออกแห่งจักรสุโขโสตคานะจิวหากายมโน ก็โดยในยะเดียวกันตราบใดเรายังไม่ได้รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งคุณของอายตนะภายในหกเหล่านี้โดยเป็นคุณซึ่งโทษโดยเป็นโทษซึ่งทางออกโดยเป็นทางออกตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาว่าเราบรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และตรัสถึงคุณโทษทางออกพ้นแห่งอายตนะภายนอกหกในทํานองเดียวกันพิกษุททั้งหลายผู้ที่รู้เห็นจากสุข ต, ตามที่มันเป็นรู้เห็นรูปทั้งหลายตามที่มันเป็นรู้เห็นจากขวิญญาณตามที่มันเป็นรู้เห็นจากขู่สัมผัส ตามที่มันเป็นรู้เห็นเวทนาอันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยตามที่มันเป็นย่อมไม่ติดพันในจักสุขไม่ติดพันในรูปทั้งหลายไม่ติดพันในจักขู่วิญญาณไม่ติดพันในจักขูสัมผัสไม่ติดพันในเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เกิดเพราะจากขูดสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อผู้นั้นไม่ติดพันไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงรู้เท่าทันเห็นโทษระหนักอยู่อุปาทานขันธ์ทั้งห้ายอมถึงความไม่ก่อตัวพอกพูนต่อไปอันหนึง่งตัณหาที่เป็นตัวการก่อพบใหม่อันประกอบด้วยนันทิราคะคอยแสบเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ก็จะถูกละไปเสียด้วยความกระวนกระวายทางใจก็ดีความเร่าร้อนใจก็ดีความกลัดกลุ่มทางกายก็ดีความกลัดกลุ่มทางใจก็ดียอมถูกเขาละได้ผู้นั้นยอมสวยทั้งความสุขทางกายทั้งความสุขทางใจบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใด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 ก็เป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีมาแต่ต้นทีเดียวด้วยประการดังนี้เขาชื่อว่ามีอริยอัดทังคิกรรกอันถึงความเจริญบริบูรณ์เกี่ยวกับโสตะขานะชิวหากายมโนโก็โดยในยะาเดียวกัน